ธกทมิกะปาติโมกขัฏฐปณ ะ, ะว่าด้วยการงดปาติโมที่ชอบธรรมที่ชื่อว่าภิกษุผู้เป็นปาราชิก นั่งอยู่ในบริษัทนั้นคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเห็นภิกษุต้องทมคือปาราชิกด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้ต้องทมคือปาราชิกภิกษุไม่เห็นภิกษุผู้ต้องทมคือปาราชิกก็จริงแต่ภิกษุอื่น บอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้ต้องทาคือปาราชิกภิกษุไม่เห็นภิกษุผู้ต้องทาคือปาราชิกทั้งภิกษุอื่นก็ไม่ได้บอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้ต้องทำคือปาราชิกแต่ภิกษุนั้นเองบอกภิกษุว่าผมต้องทาคือปาราชิก ภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบสถสิบสี่หรือสิบห้าค่ำนั้นเมื่อบุคคล น, นั้นอยู่พร้อมหน้าพึงประกาศท่ามกลางสงฆ์ด้วยได้เห็นนั้นด้วยได้ยินนั้นด้วยนึกสงสัยนั้นว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าบุคคล น, นี้ต้องทำคือปาราชิก ข้าพเจ้างดปาฏิโมกแกบุคคล น, นั้นเมื่อบุคคล น, นั้นยังอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปาฏิโมกขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปาฏิโมกชอบธรรมเมื่องดปาฏิโมกแกภิกษุแล้วบริษัทเลิกประชุมเพราะอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งในอันตรายสิบอย่างคือหนึ่ง พระราชาเสด็จมาสองโจรมาปล้นสามไฟไหม้สี่น้ำหลากมาห้าคนมามากหกผีเข้าสิงภิกษุเจ็ดสัตว์ร้ายเข้ามาแปดงูร้ายเลื้อยเข้ามาเก้าภิกษุจะถึงแก่ชีวิต สิบมีอันตรายแก่พรหมจรรันทร์ภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าในอาวาสนั้นหรืออาวาสอื่นพึงประกาศท่ามกลางสงว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้อยคำปรารภ ปาราชิกของบุคคลชื่อนี้ยังค้างอยู่เรื่องนั้นยังไม่ได้วินิจฉัยถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงวินิจฉัยเรื่องนั้นถ้าพึงได้อย่างนั้นนั่ น, น, นเป็นการดีถ้าไม่ได้ในวันอุโบสถ14หรือ15บหค่ำนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้า พึงประกาศท่ามกลางสงว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้อยคำปรารบปาราชิกของบุคคลชื่อนี้ยังค้างอยู่เรื่องนั้นยังไม่ได้วินิจฉัยข้าพเจ้างดปาติโมกแก่บุคคลนั้นเมื่อบุคคลนั้นยังอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปาติโมกขึ้นแสดงชื่อว่า การงดปาติโมกชอบธรรมที่ชื่อว่าภิกษุผู้บอกคืนศิก ข, ขานั่งอยู่ในบริษัทนั้นคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเห็นภิกษุบอกคืนศิก ข, ขาด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้บอกคืนสิก ข, ขา ภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุผู้บอกคืนสิกขาก็จริงแต่ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุนี้บอกคืนสิกขาแต่ภิกษุผู้บอกคืนสิกขานั้นเองบอกภิกษุว่าผมบอกคืนสิกขาภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบสถสิบสี หรือสิบห้าข้านั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าพึงประกาศท่ามกลางสงด้วยได้เห็นนั้นด้วยได้ยินนั้นด้วยนึกสงสัยนั้นว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าบุคคลนี้บอกคืนสิกขาข้าพเจ้างดปาติโมกแกบุคคลนั้นเมื่อบุคคลนั้นยังอยู่พร้อมหน้า ไม่พึงยกปาติโมกขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปาติโมกชอบธรรมเมื่องดปาติโมกแก่ภิกษุแล้วบริษัทเลิกประชุมเพราะอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งในอันตรายสิบอย่างคือ 1. พระราชาเสด็จมา 2. โจรมาปล้น 3. ไฟไหม 4. น้ำหลากมา 5. คนมามาก 6. ผีเข้าสิงภิกษุ 7. สัตว์ร้ายเข้ามา 8. งูร้ายเลื้อยเข้ามา 9. ภิกษุจะถึงแก่ชีวิต 10. มีอันตรายแก่พรหมจันทร์ภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่เมื่อผู้นั้น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 ข้าพเจ้างดปาฏิโมกแกบุคคลนั้นเมื่อบุคคลนั้นยังอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปาฏิโมกขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปาฏิโมกชอบธรรมที่ชื่อว่าภิกษุไม่เข้าร่วมสามัคคีที่ชอบธรรมคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุ เห็นภิกษ like <im> <itaire> <im> <dessus> <th 101 centre> ุไม่เข้าร่วมสามคกขีที่ชอบทำด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุไม่ให้เข้าร่วมสามคคีที่ชอบทำภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุผู้ไม่เข้าร่วมสามคีที่ชอบทำก็จริงแต่ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้ไม่เข้าร่วมสามคคีที่ชอบรม ภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุผู้ไม่เข้าร่วมสามมคขีที่ชอบธรรมทั้งภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้ไม่เข้าร่วมสามมกขีที่ชอบธรรมแต่ภิกษุนั้นเองบอกภิกษุว่าผมไม่เข้าร่วมสามมคขีที่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบสถ 14หรือส5ห้าค่ำนั้นเมื่อบุคคล น, นั้นอยู่พร้อมหน้าพึงประกาศท่ามกลางสงด้วยได้เห็นนั้นด้วยได้ยินนั้นด้วยนึกสงสัยนั้นว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าบุคคลชื่อนี้ไม่เข้าร่วมสามัคคีที่ชอบธรรมข้าพเจ้างดปาติโมกแกบุคคล น, นั้น เมื่อบุคคล น, นั้นอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปาฏิโมกข์ชอบธรรมที่ชื่อว่าภิกษุคานสามัคคีที่ชอบธรรมคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเห็นภิกษุผู้ค้านสามัคคีที่ชอบธรรมด้วยอาการ ด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้ค้านสามัคคีที่ชอบธรรมภิกษุนั้นไม่เห็นพิกษุผู้ค้านสามัคคีที่ชอบธรรมก็จริงแต่พิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้ค้านสามัคคีที่ชอบธรรมภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุผู้ค้านสามัคคีที่ชอบธรรม ภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้คานสามัคคีที่ชอบธรรมแต่ภิกษุนั้นเองบอกภิกษุว่าผมคานสามัคคีที่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบสถ14หรือ15้าค่ำนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้า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 6. ผีเข้าสิงภิกษุ 7. สัตว์ ร, ร้ายเข้ามา 8. งูร้ายเลื้อยเข้ามา 9. ภิกษุจะถึงแก่ชีวิต 10. มีอันตรายแก่พรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่เมื่อบุคคล น, นั้นอยู่พร้อมหน้าในอาวาดนั้นหรืออาวาดอื่น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 ข้าพเจ้างดปาติโมกแกบุคคล น, นั้นเมื่อบุคคล น, นั้นอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปาติโมกขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปาติโมกชอบธรรมที่ชื่อว่าภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลวิบัติมีอยู่คือภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ภิกษุเห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสง ส, สัยเพราะศีลละวิบัติด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยิน และมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลละวิบัติก็จริงแต่ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลละวิบัติภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลละวิบัติ ทั้งภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยแต่ภิกษุนั้นเองบอกภิกษุว่าผมมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลลวิบัติภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ในวันอุโบสถ 14หรือสิห้าค่ำนั้นเมื่อบุคคล น, นั้นอยู่พร้อมหน้าพึงประกาศท่ามกลางสง์ด้วยได้เห็นนั้นด้วยได้ยินนั้นด้วยนึกสงสัยนั้นว่าท่านผู้เจริญขอสงจบ่งฟังข้าพเจ้าบุคคลชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะศีลลาวิบัติข้าพเจ้า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 ก็ในกรณีนี้ภิกษุเห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจาระวิบัติด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารระวิบัติภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยิน และมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจาระวิบัตก็จริงแต่ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจาระวิบัตภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจาระวิบัต ทั้งภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิบัติแต่ภิกษุนั้นเองบอกภิกษุว่าผมมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะอาจารวิบัติภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่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 ข้าพเจ้างดปาฏิโมกแกบุคคลนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าไม่พึงยกปาฏิโมกขึ้นแสดงชื่อว่าการงดปาฏิโมกชอบธรรมที่ชื่อว่าภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติมีอยู่คือภิกษุทั้งหลาย ก็ในกรณีนี้ภิกษุเห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติด้วยอาการด้วยลักษณะด้วยเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็น มีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติก็จริงแต่ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติภิกษุนั้นไม่เห็นภิกษุที่มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติ ทั้งภิกษุอื่นก็ไม่บอกภิกษุนั้นว่าภิกษุชื่อนี้มีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติแต่ภิกษุนั้นเองบอกภิกษุว่าผมมีผู้เห็นมีผู้ได้ยินและมีผู้นึกสงสัยเพราะทิฏฐิวิบัติภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่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 ปฐมภานวานจบ